จะต้องากเลยนะอาชีพตาบรรยัตลอยโยนพันมาตือนนะเพว่าอยากโยนจิุการบานทกองระราระดับรักทางธรรมธรรมสอนพุทธศาสตร์ุเวลาจะยอมลำบากและจิตการบานเรียนมากแต่นั้นคบ้านคือบรรยัต เด็ดขํามแปดาคดถึงนาข้เป็นวันระดับลาฟังทำคาสอนคิดถึมตัาในโอกาสมีผุการงานทยอยมาประดับลาฟังกันแต่ในสมัยศิลปการการระดับลาฟังนั้นขั้นพเปสิ่งสำคัญแต่การชีวิตเราสอนว่าตังเล่นตางเด การเขืนนำอัดทำทำสองสังฆผู้ใตจ้างนั้นไปปฏิบัติกายใจทั้ตนเพ่อรับการศึกการฐานานาที่โดยส่วนคาราวาทำสองคาราวาไปสอนให้โดยส่วนสังใจปฏิบัติเป็นชาที่เสื่อมไม่เลวตัวนึ่งการงานอื่นในแต่นาที่แต่จะดับรับฟังด้วยควา ติดตามไสตายใจทั้งเป็นนั้นเนบรงดันวันเวลาจะรดับนักธรรมะจากผู้เ่าเอยตานใดเวลาใดเอยปดโอกาสให้ศึกษาได้ทุกตอนทุกเวลาไป่วันนี้ถึงอยากเป็นวันธรรมะตะวันะถึงาวายากโยนโอกาสมาวพระเือยเงิน ดับทโอกาสเวลาเราเสียลาสถานบนเา่าการนต่างๆระดับรับฟังจริงใจการฟังทำระดับรับฟังจริใจจเราอย่างงลจความความสบายลอะไรมเลจใจใปลน ไปะายติดไปเงียบตายตายเกยตาเสียงตายลองไร้ไรนักนกียรติยศไปทำตามแรงต่างๆทำให้ิดนกสิทธกลางยืนดินหันหันทำใหลักเสีไปจับอัดคำการทำระสังนิยลด จิัดการต่างกลาต่างๆพราะการตางทจะต่องีความประโยนยหนึ่งเดยกำหนดิตใจอว่าไม่ตดอะไรวงรัทำ่างๆ่อยนกเป็นไปเรืองอื่นเรื่องอื่นไปต่างๆต่างๆอย่าเงียมนเอียงๆแต่จากหลักใช แต่มีแต่จุเอ๋แล้วแงตัวเพราะระยะนี้เราต่ทํานสังอนเขาต้องไใหมดิตดูติดใจไปจุเอื่ออื่นแสงตัวอย่างน้จดใจเอยู่แล้วาทำัอนคือการสงใบไปเรอยไหลลงไปเสียใจคนเหื่อใจหยเี้ยงคนเนใจเป็นอาันเดีย ดจาองตต่เป็นแลไปไนั ja so, so así, like <shot> ้นอยู่เป็นการสลับลาวตังดบิวอัใอย่างนั้นจิใจุไปแต่เราตงกันอยู่ก็ดยรู้ทันแสดงอะไรมารมีเพื่อจิตสุขอะไรจะไปปฏิบัติในใจจิใจแฉะสายล่านอมได้ เราไม่ใส่ใจไมทำกกรไปเอนีการ่ามีหลายหลเด็กปันน้อยประโยชน์แเป็นประโยชนาสตรเี่ยประโยชน์การ่าเน่ยโดยเฉพาะแสงส อย i ่ยุ่งอยูく近く近く่ในตางนาาเรียนแต่เมื่อคิดเก็อยะออกจากทุกข์อันทุกข์แยบแย้ประบันละงฐานะาาาาั่นันัพบัติไตปหาายยั มันเป็นพลเมืองสิใครทั้งใรอย่าง้เลยเป็นใครอย่างไหนใครไปใครจะไปใครจะล่นใครบินใครเล่นมีเยอะมาเป็นสื่อสื่อชนิดแต่เมื่อเราเป็นผู้สตั้สื่อตั้งเพื่อของเกียร อย um no ่างเรื่องความร้อนมีคาหนาบทางจาย้เือนาทางยังบงานยนี้าไก็คานสบิเ้ยมีสุขแบบเน ละเอียดๆจนต่อไปเนี่ยมีความมือนควายัน่างนั้นจะนริ่มจากรักษาต้นแบบที่ห่าได้มีอารักษด้ารดานเจ็บรักษาได้มาเ็่ท่ละไปแต่เป็นาอันตรายตัวนี้ต้นแบบเดียวนั้นถายงจะมีการรักษาเป็นอันตราต่้น เหนือดาวเหนือดาวเพราะตะเวนไปเพราะต้นไปอย่างนั้นอย่างนี้เระเก็บเราเรียนดีแต่หายเสียนต้องบาดซีน้กเราหาเาได้หนรัามเือ่ตนบาดเสียถ้าเป็นบาีนี้มากจะยิ่รัเก็บไว้เป็นที่อย่างี ในอย่างนั้นเอาจะมำสมองไปรักษาเป็นหนักที่อันหนึ่งสายเป็นการรักษาสมบัติท่ราเนี่ยเป็นยาเสียหายที่จะถูกไปถูกพวกไปเจ้าเือดข็งอะไรต่อติตามที่ตต่อไปเดือดไป เรียงตัวกันแต่เป็นเรียงกล่สบัดจูงหานหน้างจะไปไกลน้าสำบัดหนต่าใรงกัไปตงกลียหน้าหน้าที่กยงรกัน่้่การเนเ่บ เป็นการจ่ายไปเป็นรายการจนนี Syndrome, ่รายการจนองไรคือการโอนจำนวนอยู่ที่นวนหึ่งเป็นเจ้าตังค์เป็นวัน้ไปมีสป็นเจาังที่จะรายมารายการเเนเรยกว่าล้ามาวิญญาณตาแต่ระยะวิญญา กิดต้ด่อไปมีการกานเป็นอะรันอันหนึ่งติดกระตก่อนแว่าารเป็นอะไอย่างนี้นนี้ือืปยัเปลี่ยนเป็นกระชือแ้ก็เป็นรื่องต่างๆเป็นอนาดี้เป่นเเียน เล็กน้อยเสื่อมนิยั้งจึงไปในตางน่าเล่นทางทำงานต่างๆสำเร็จแล้วางเลกิดทางการเตรียมนิดเป็นทาตานทาอันหนึ่งจึงแต่งจิตใจใจหังไหวิยั้งใหนิยัด้ตามนิ้งอยู่หับเนิยันตั้นทางจิตใจเราให เา嘛แต่ใจุดน้จะใช่ว่าเป็นเคลมว่าเป็นเคลมเคลมดีแนละ้อยากจะเลนะนดะีรับเปลยทางดีทำาดีละเอียดเนี่ยจุดนการนนีี้ดี อยู่เป็นประโยชน์อยู่แต่จะดังทางใจอยู่ดัอยูใเทางโ้าาตรอูาสยันต์องเตอ่าสมบัติจะทาอะไรมาโดยับการรักษากรใ้าสตร์ประทีพนลเตือนแบบเตือนเล่ห่อะการพดสือ มีความทุกขสิประจต์เตลเต๋อหรือหรโลกหรืก็มีความเ็บวามสะบายแต่เออดยายากเป็นอยาเป็นเอาไปังใจนั่งทำทำแล้วใช้ที่ไดอเรื่อาเป็นรัวามประโยชนจนบางองเองจิตเจนนอยากจนจนไป ต่างๆที่จะอย่าจำได้ว่าตั้นอะไรเด้ออะไรเยสลายได้เวลาติดเหลวเนะต่างๆเล่นแล้ลว่านแบบนั้นางศาสนาที่ว่าเป็นม่ทางอาีพที่อาชีพที เมื่อ t ยืดดีแล so ้วเรื่องกลืนยื่นเนยื่นนี้เรื่องยันสายตารนายตาอยางก็ว่าไเรื่อไตที่จะเรือมีแต่คนเ่นบบนั้นเกิดามออนใจเหอนมการเก็บผงดูดได้ไว้ใเดิมี่ยังไรอ่ะวอย่างตด้บบแย่บ้านเร ต้นเงินยื่นโ c h ดังอย่างยื่นเงาอย่างโดยยึดจัดการในเสียงหลายๆจังหวัดสังหรณ์และเนเสือีกยื่นเอะเป็นอยู่ในสถานที่ใดที lie, la, ่วันต้นไม่ไดเป็นจมูกหนักหนาจะเปมือใส่ใส่เท้า แต่ที่บ้นนี้เปอไว่ากหอาอเียกับนี่แหละทสาี็มาหลน้ยอมเป็นหลักเคืหรืออเป็นม่ เรื่องแต่ต้องอย่างในนี้เพียบเมนไปจายเนใดจะไปเห็นรั๋วหลังส่เหมือนมาตางมีจิ้มสาราอะไรหรือการแต่ละปร็อย่าง แสงใจก็เป็นเหงาใจในโลกมันทอดแบบนั้นหรือ i ัวอย่ง้องอันเยเป็นอย่างไรใจลยใจก็เปลี่ยนโอ้โห้องอัแบบนั้นเป็นการลำเลือยจึงจังกระด่าาในตามเที่ยงเหนื่อยอย่างตัวอยู่นั้นทำทำทเงาหลับอย่ เราแต่เดินเรียวนี่พบคแต่ละ้านหน่บางทีแต่ร้านติดแบบเอามือถนัดชีวิตข้าวยังรานปลายลาหลาอะไรวิตข้าวเราจะหน่ที่นี่งแต่ละร้แบบแบบทำมีอดอยากจนเป็นเน่้เขาที่ยังเล้อยู่แบบตกอา เก็บของไปอื่นปั่นใส่ของเขบก้ายไปเนื่ยอรแตรทำอะไรเป็นแบนแต่ว่าสมดัตเปลนนั้นหาม่ได้เยดใรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแจกนใครอื่นยึดเอาไว้ในตัวใจใน มันบาดอยู่เนี่ยดึงใจต้องซื้อไดมาและรักษาได้างติดไม้ตายด้วยอากาต่างๆหรืออะไรอย่ารถเหือนเราเนอย่างนี้เกิดาแล้วแต่แผลนี้ต้นบาดทับสะพานระวัติเดีตยเกิดมาเด็กเต่ออะไรติดเมา เวลาจะเกลือดยุดต่อไปทาเนี่ยแตเรื่องการอุปยศเป็นบางสิ่นที่ได้แตเป็นเหมืนเครื่ยันเพการรักษาเพื่อเลือดเกดระนแต่ท้องนะท้งเ่ารน้ดยารานเปรียันแผแบบาหลักัอุปยาเนี่ย แต่ตอนทำอุญที่ทำดีกับมาทำตัดมาดีทันเที่ยวเราทำอย่างไรเวลาทำดีทำเที่ยวจะเที่ยวทไปทดีจะจบเสร็จทำดีเพิ่มทเที่ยวจะจบจเเทียวเ่ไ่ใอื่นะทำไม่ได้เลยเที่ยวไ แยกจากใจแต่ต <ım. S 2> ั้งให้เตนตั้วาเพื่อเตือเป็นปัจจัยสำคัญตั้งศาสนะยกเลิกคใหญ่ทให้เพื่อแยกให้ตั้งเนการจัดจัความนี้เป็นของสำคัญเวลาแต่งกิจการหรืออนาคตอะไรต้องทำการเื่อการเพื่อจะัาง ถึงแต่ตอนนี้ยังยิ่งยั่ง่แต่เสมอเข้ามาต้นเข้ามาแต่ข้าเมแต่ายนใอามเียงขั้นบาเป็นอะไรระมัดจะ้องแเขาตัวองใช้อีกหงาลี้นเลี่ยตาใจเลือเบง่นวนก็จะเป็นึหนอยยิง้นนนในบ้านนี้จะมีเพื่อ ก็เหวี่ยงใบก็ตั้งค n ่วติดเสีย i ่างอะไรหลักการัดความเหนยววรตั้งตัตมนมยบานอเหบเัเียาั่เ็นต่างรใ้กตายแเป็นอย่างไรเ่ทา แสงาเจาพราะตามแต่เด pues ็กดามันดาเถอะมดามันดาอากกตดาเกิดดเกิด้นดาเกิดมาึงเกิดกตาตามเกิดเ่มาึงก เป็นเรื่องนื่อัดอย่างนี้วระังด้วยการดีตัดเตื้าแต่ก็ทสัต่างออาเลือดแผลดายนอนดาะ่งอีายนดานเยวตางเกนต้องการนเดียวต่างดูสีกต่างกัน้อคมเรันิดตั้ั้งท่ข้ออยากให นี่ต้องเป็นเป็นเป็นมียุ่งเกิดยุ่งเกิดรายหยิบหยิบใส่ใส่ใส่ใส่ประหยัดเงินเยอะแต่เนมีหน้าตาดูดั่งดังใส่เายืนยันประหยัดเงินเยอะยดเยื้อเติมเมเลยนะเพราะตาม้เสาจะเติมเต็มจิตใจบาคนบางคนก็เหมนเติมต็มเอไรอันนกด เป็นเรื่องเพศสิทธิเนียาน้ก็ติดตามยบนแต่เป็นแต่ไปเ็นอนทย่เีย่างตตานนัดจนชอบตาเป็นเถเงาเพียงแต่พักไปไหก่อนเงินกนิเเสียอ แต่เราทำยืนซึ่งทางอะไรเกิดมาโดลายวิอีูบ้าหหรือไรเงเกาโดยใจใเียนผลฝังโดยใจตรงนีดยใจ่ะเขาเลยมีคาอยา็มีความยากเดียกันแต่ไรเถอะทุกวิอยากจะได้อะไบัตรเท่ากับไนเี่เรในื่อือเต่อ อยากเรียนแต่สัญญาณจะเป็นใจไม่ได้อยากเรียนมาแล้วันก็พอเป็นประโยชน์ปัจจุบันปีรังเรียวหนุนขันจนมีแตพระมีสื่อใไปก่อนจึงอยากเพื่อจะตปัาต่างสนิทสทใช่ไหมต่อไปเราเอาไว้หันเรียนยอะเรยนเยอะ ฝนเงี<ห>้ยมันไปเกิดขึ้นตาเรื่องของเขาตางแล้วตัวตนจังหวัดใส่นได้ท่นมาทาได้เข่าใส่ตามมาแล้วท่านหาตัวตนข้นจังหวัดใส่เงินได้ต่างต่งๆตอตีไดเอ็ดหยาดลำบากทำเราทำเงินมาเจอฝนแล้วท่านเข่าจะไปใส่หรือคนที่มีหลักน ไต่เขาหายแขนอุ้มเป็เนื้อปันเป็นแบบนั้นตลาดนะตอนห่วงตลาดเนนื้อปักไม่ผิดพลาดเป็น่เดียวเลถือเปเนื้อปันเียนเกกันดปเรน่อเยไม่้ใจหย ปั้นของทเขาออกแบก็ไม่อยากจะไปดูนี่มันจังหวะตัวแบบนี้ถ้าเรียนจบจะไทำอะไรจบแต่เนี้ยท่านเนี้ยยึดติดกับการงานน่ะอยู่เป็นจุลยาแต่ะจิตจังไปทึ่อย่างอาเซียนมีญาติอยูนะทำอะไรหักจังหวะอาเซียไปอยู่ในอั้นถึงที่้องกาน แต่ที่จะมาจะเป็นรถกีนอย่างหหายพอ่งยุไเลอดมีสิจะยงยุ่งสกันมันเป็นอย่นั้นหรือเปล่าอเราถนจตามการตอครืองไฟในไบินตามจะเสียให้ของเราจจะเลงันเป็นดไปได้บางบ้า มบทก็ต um, uh ่างคนางอบอย่างไรอไรต่างความอบของใจไปล้วจะอบสิ่งเสยเสียก็ต่างกานต้องดูโดยตางกันจะเป็นคนดีท่างานดยตมบัติทจะานับเงี่ยงต่างเพราะต่างกันเป็นชีวิตดีเลียวย่างต่างบัติเราเป็นแบบนั้น กาทำใจเรเชื่อม่นมีแต่การบฏการแต่ทำาจวารเหล่าตายาใจนี้ขาดเป็นทางดียอดจิตส่งความนีให้ขาดเป็นทางเชื่อเป็นตั้งตามแต่เขาตายใจในปัจจบันและชาติ้าเมื่อเชื่อลงไปถึงใจอย่างนี้การทำใจดีเราจะมีจุดเมื่ใจอยากอยากทำการละเชื่อเราจะไปตั้งมีการละใจในตัวแท้ตัว เกล่ยวกลียวจะเขาเกียวถึงเป n นอ well. ื่นจะหนูเหงื่อหัวแต่ช่างเกลียวจะไม่มีสิรัชที่เชื่อเป็นจุดตันตัวไปเหงื่อหัวตามตัวื่ยตัวให่น้ยเราจะเป็นสาย่งหรือจะทำหน้าเหือเนกับะเิดเอไปแงร้นานาที่จะับตั้งมันเพาะมันจะแปรเปลวม่รเหง่ถึงวใหญ่น้ เลือกหลั่งรักษาคือการเลือดหลั่งรักษาเพื่อปราศสนะแล้วเลือกทำการดีเรื่องการเลือดไเลือดไหลของตัวรักษาเนอกายเนวาจาไหลท่ดเสื่ามเสื่อมต่างๆเรือหลการรักษาผิวผิวนี่จะเป็นการดีท ตามดีรในปัจจุบันทานตาเต็มที่มีการต่อตมเตนีมีผิวมีตัดในตัวจะไปสถานที่ใดอยกับใคมีเรือเครียดใจเต็มที่รักขครสนิทสนมกันตัดในมีผิวอยู่ในตัวนักเบียดเบียนคนอื่นนักขโมต้นอื่นหมดสู้ต่อเติ ในเหตกางยานั้นเขาระเจียตันมือน่อยาจะเยียดหายตาในมือเาอยากจะนั่ถกระเียบเราเองแต่ในชอบอย่างนั้นคนอื่นเขาจะนี้นกันแล้วไมืตายมีใส่กรจี๊ยบนั้นทันชิ้นให้รักษาถืบเป็นสองสามพันดีเจ็ดพันให้มนุษย์เราเป็นคนต้งบื่อใส่มือถีบ ในเตือนแล้วมนุษย์ได่ไหมเป็นมนุษย์เป็นบุญได้เปนมนุษย์อหน่ยเหนืยเสียวิตเีไม้ทิ้งแต่นอที่อืนมีอยูตือนขเราควรต่แนควรแตรักษาควรแต่สะสมในเตือนมีในเตือนทั้งเตือนเาถป็นสมบัตอันหนึ่งสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติเป็นอริยทรัพย์ เป็นตั๊กตายเลยอยู่ที่นือถืออยู่ในใเพื่อนเียละเป็นตั๊กสานาะไปสถานที่ใดมี่อปานตึกปานตบานเได้ศึาเรียนรู้ัาจะใเืองเกอยู่กับใจเขาจะรักให้เด็กอยู่ที่ถือเป็นอย่างนี้เป็น้งดีในเดือน ปัจจุบันทั้งเร่องกรณีใครมีเงินรักษาหอใครรักษาทางการเรียนระังอะไรไว้เจอสานที่ใดใดมลิเป็นข้อหนึ่งถึงจะเยอะขนาดนั้นคือาเนไปรักษาแร่ป่าฝไปดูเลยเก็บให้เต็ม ยาเมื่อใช้เสียตลาดตัวเรื่องภาษาหมาดใช้เกิอยแบบช่อารเกิดขันดูเห็นเรียบหยาประโยชน์อาบเมื่อตามยาทานิตานาเป็นประโยชน์ขาดอเลี้ยงกันเรียหลักพันมื่อเกตามกัน การศึกษาอย่างสำหรับปัญญาแต่ท่อย่ไดีกละเวียนจิตเป็นการเป็นสมัยอาปาณาจายท่านก็คิดว่าเป็นเป็นัองยังดีกว่าบุคคลที่เหนื่อยสรเสวานิจิาภาลังนเบ็ดเสร็บรัดตังอะไรที่ไม่ได้เสียใจจะไม่ได้ แตยงมีเปนสิ่รักษาศีเปนการเเวลายงมีแต่เป็นสิ่งห่ลน่กระดาางธรป็นารริเวลายงมี่น่าะระดงเนื้อในกาหน่นเราถึาไปได้่ยัี็นส่่งเือเลยอูทางรักษาี้อทาง ยังทำดีแต่เหมือนตันยังเหล็กต้มดีเป็นดีเดียร์แ่แต่ยังมียังจิตอะไรน่ะอยู่ยังมีดีอยู่ถึกับาไปบ้ากยังฟัาไปเพือนคนที่มีอะไรเชื่อเองภาพความเพื่อนสบายมสู้ไละอายไปอย่างน้นือการที่มีแต่ม มีสีม si ีพาละโมในเตอร์ก <unc> ับพลัเงานเยอะสั ally, man, okay. ่งเรามรจะเป็นชื่อซ่ืออาสาั่งปจากนั้นชื่อใดก็คือว่าความเสี่ยเรามีว่าควาจะตัญญูอเตส่าห์ใหญ่แล้วใหญ่ลึกเหมือนที่เราท่านสืบมาเป็นยุก็แค่ป่าเป็นนนปาฝน็นยอาดี้เราสมาเดเรื่อไดเลย ต, ตา ย, ยาเศษเป็นเ ม, น ม, นมล็เระพิพิจาณาหรือาย่าได้หยใดหรือย่างนั้นเพราะแค่าดมนาหรือเตมนตบ้างเพราะขาดมันจะแต่มลอย่างเดียวเป็นตัดกันกนะเป็นพวกใดไดและเกิดน่อยูอย่างเต็อื่นโดยกาเรียงันๆนลร เป็นหนึ أ, pai, ่งจะออกอืดไดลดเกลีดได้ในคนอื่นจะเป็นคนสคนเนใหญ่จะใช้เกลียดเป็นติดยืดตัดติดจะฟังหนึ่งเลยจะต่างเกลียดเพื่อเพ่ออื่นเพื่อตัดต่างๆเพื่อด้จำนเลือนอกจากนี้มีในวนเด็กมีเลือดัด เนื้อตาไมาเล็กเป็นเล็กๆพอมาที่ใจมาแล้วเกล็ปแล้วตอนเกล็ดหนุนๆแ enfin ค่นั้นไดเนื้อตาจังเลกล็ดใหญเอไม่ยุ่งๆเป็นเนื้อตา่เป็นกินบเนื้อตาเกลดเป็นมล็ดเป็นไส้าเ็นไส้ลำบาเนื้อเกลดเมื่อว่าเลือดเนักเป็นเม่็ดในแบบคือที่ในื้อแบบตาเร็จเนตดีอะไร เกัดเรือารเกิดมาปนมนุษย์แนะมีหลังต่อไปว่าเราจะตริดเป็นมนุษย์รือบ้างหรือเกิดมาอาจเป็นถึงกันไหลแต่ที่ใจเราสอนใจเขาป็นแต่ผลเป็นงานทำดีอย่าทำหน้าและชาตมนุษย์ของเราเป็นชาติที่ต้องเตรียมแต่สะสมเอเวนต์ตัวด่างตัวเนื้งชาติอื่นเราก็เกิดเป็นตั จรักลาิบัติป่ากนะรักษา่านรักษาคทธเจ้าบเป็นขพระท่าตเป็นัตเป็นพระพได้ตวเสตโเนต่อคำนี้หน่อยโดยเตือนต่อป่าชลุมาถึงได้แเ็เราจะเป็นอย่างไรพเจ้าจะเป็นเม็ดอย่างเราอาลอาเป็นลดอย่างรา ใจจิตใจเอาแต่เป็นคนดุเป็นและอปเ่ยไวิเคอรจิตใจอันนาละรเ่ยไจิตใจิที่เป็นสิ่งอนิได้วกปฏิบัติาสเกิดมาเป็นเป็นของดเอย่างนี้ เราเลี้ยเราคือยินดีท่าใจว้ชาติคือเป็นหล็กแล้วจะใช้กุ้ยตาตาชนะตัวตาชนเขาอะรู้หันเนื้อส้อนเบลเลยดเนื้อขาอะไรขาดตกเราหยุดามเนื้อตาสงสารหลับใจใส่สุดในสักชาตินานาล้วก็ไปจัดจัดบาลูเกี่ยวกับเรื่องของ รักษาแยกอกจากรัตจนจะไปสุพาะเท่าทั้นจะไปเุพาะทน้นมนไปได้เลยนแล้วใจไม่เสื Unter ่อมไมตายอีกอยุดเพื่อพระธรรมในเรืองวิจารยากรเท่าน้นตอน่นาวบาบาทหงก่นทุกข์าดแ้ือน ตาถนัดยาจะเป็นรู้ต้องกาเกิดขัท่ารกันก็เป็นหลายหลายจาับหลายๆตาับจำนผูน้้งกา่าหรา่้าท่านเป็นผู้ที่เหยียดตาสงสามเหวายู้ันเมื่อทำรูปเหยทยดทงสารและเ่านี้เราเหยียดจิตมือาอะไรจักเรเราจะเป็นเป็น ส, สื่สนะสะะสะอ ใจดีคนนึ่งลุกขึ้นเกี่ยวางความต่างสองขันแต่เป็นคนหนท่านจะได้ลุกตามไปทคามต่างสอนแต่ยังอ่เป็นเัสยสที่เราอปฏิบัติอัดพังสือ่าเล่นต่งสงแต่เป็นคนดคนดีเป็นสื่อเกี่ยวชีดังนั้นอย่างเรียนในตัว เย็นเดคเลือดเยาเสยไปีเลยเอ่อ่มาโดการหยแล้วแต่เชื่อมันานหน้เพือปิบติโดยเสียผู้เกิดเ่ดาันาารทม้ยปฏิบัติวกด่า แต่มาการยืดตัวไปเลยทำกันไปไปเยอะมากเลยตัวที่เหลกอยางไรใดมีติข้องอยู่ในใจในตาทะเลายากจะเดือดเป็นตัวอี้ก็มีอยู่ในใจเราจะอะไแจกเขามันเลมันหมวดสายไว้สิดการต่างๆมันจะมี อย่างเหลือใช้มันอยู่อย่างนี้เตี Madame, ้ยสุดออย่างเหือใช้มันหรือเราทำลายที่แหลมก็มันดไหรือ่าของเราเรา้อีได้เ่าไปงจะตรงนี้อยู่จอกเต้ด่เพราะสุดภายในมันตายอยู่ถ้าเราเล่นใกล้เาเราิดันี่นี่ติดกัน จบกเขาที่เหลือปัญหาของท่านจนสุดใจขอ้ท่านตายจากเสียชัดไม่มีการที่จะเยียวยาตายเกิดอแปลไปท่านรราบรัดภายในใจของท่านเพราะการตบคุณ